พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมอาหารใจวันนี้หลวงพ่อ มีกิจนิมนต์ทางบ้านผือเขานิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยที่แรกเขาจะไปจะออกไปฉันบ้านผือนะลูกหลานนะเขานิมนต์พระในวัดเลาเก้ารูปหลวงพ่อก็เลยคิดว่าจะไปแต่ว่าพาละของหลวงพ่อไปตั้งแต่เมื่อวาน วันก่อนไปตั้งแต่วันก่อนออกตั้งแต่ตีสีตีสกว่ากว่าไปอำเภอชุมแพไปโรงพยาบาลทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาลอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกว่าจะเสร็จได้ก็เกือบเที่ยงพอมาถึงวัดแล้วก็กว่าจะถึงจะ ก, กว่าจะกลับกุฏิได้ก็เกือบสองทุ่ง เมื่อคืนเนี่ยพี่น้องลูกหลานก็ามาพูดสนทนาแต่นี้ตื่นแต่เช้ามาตีห้าก็จะไปบ้านผืออีกโอ้ไม่ไหวแล้วลูกหลานเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุม่มนะอีกสามสิบปีหลวงพ่อก็ถึงร้อยแล้วอ่ะฟังไม่ลูกหลานอีกสามสิบปีหลวงพ่อก็ถึงร้อยแล้วไม่ใช่พระน้อยพระหนุม่มอะ เพราะนั้นลงพ่อจะไปตลอนตลอนได้ยังไงเพราะนั้นการที่จะไปที่ไหนถ้าว่ามีความจําเป็นสำคัญก็เลือกไปถ้าหากว่างานขนาดใดขนาดหนึ่งก็ให้พระลูกผ้าหลานไปในกิจนิมนต์ซะหรือคณนะสัทธาญาติโยมลูกหลานไม่ควรจะให้หลวงปู่หลวงตา ไปบ่อยๆเหมือนกันน่ะถ้าจําเป็นก็ไม่ว่ากันถ้าหากว่าไม่จําเป็นก็ให้ลูกหลานมาหาหลวงปู่ยังค่อยใช่ยังค่อยถูกไม่ใช่ว่าจะเอาหลวงปู่ไปทุกแห่งทุกหนไม่ใช่พระน้อยพ่านผมตลอนตลอนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงข่าวเนี้ยไปไม่ไหวแล้วลูกหลานมันจะเป็นลมมันจะเป็นวินวินวินเวียนศีรษะเพราะว่าการพักพรไม่เพียงพอ สำหรับผ <unlucky. S 2> ู้มีอายุมากผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเดี๋ยวหกล้มเข้าไปแล้วก็เกิดเรื่องะทีถ้าหกล้มหัวนอกพื้นถ้าตายไปเล้มก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นอมภพอมพาตโตเตเตเป็นภาระของลูกของหลานจุดนั้นต้องระวังผู้สูงอายุต้องระวัง ถ้าว่ามีเป็น <c oughs> เส้นเลือดือเอามาพึกเอามาพาดเข้ามาแล้วมันเป็นภาระของลูกของหลานไปที่ไหนก็ไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้จะดูแลก็เป็นภาระอย่างหนักของตระกูลของครอบครัวเพราะนั้นพวกผู้เฒ่าผู้แก่จะเดินเข้าห้องนองของน้าจะไปที่ไหนต้องระมัดระวังให้ดีแต่สุดวิสัยแล้วก็ ทำยังไง้มันสุดวิสัยนะถ้ายังไม่สุดวิสัยก็ระวังฮะแล้วหลวงพ่อไปเมื่อวานไปทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงพยาบาลเขาต้องการเครื่องพ่าตัดตาหอต า, ตาหูคอจมกูกลักษณะอย่างงั้นะก็ได้จตุปัจจัยประมาณสองล้านกว่าแต่ก็ยังไม่ ที่จองที่จองห้องก็มีห้องในโรงพยาบาลเขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็จองหลายห้องอยู่ที่เขาพูดเมื่อวา น, นแต่ปัจจัยของวัดเราเราก็ติดปลายนวมไปเหมือนกันนะทั้งที่เราก็ได้ซื้อเครื่องมือแพทย์อาทิติอาทิตย์ที่แล้วนะให้โรงพยาบาลชุมแพรบริษัทจอนสัน บริษัทจอรนสันจอนสันไทยไทยแลนด์จำกัดนะเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงราคาล้านหกแสนแล้วก็จ่ายไปแล้วละ่ะเป็นไทยล่ะไม่เป็นนี่เป็นศินแลแหละมอบให้กับโรงพยาบาลชุมแพแล้วก็เมื่อวานไปทอดผ้าป่าเราก็ให้ไป <c oughs> ให้ไปอีกสองแสน ร่วมสมทบค่าเครื่องมือตัวอื่นอีกเมื่อวานนี้นะคณะสถาญาติโยมลูกหลานพอกลับมาก็ให้ทางธน า, <c oughs> า, ธนาคารเขาโอนจจตุปัจจัยให้กับบริษัทอีกซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เหมือนกันกันกบโรงพยาบาลศรีนครินเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงผ่าตัดไทลอยคอพอกช่องท้องผ่าตัดเส้นเลือดเลือดไม่ออกปิดเส้นเลือดราคาล้านเจ็ดเหมือนกันกับศรีนครินทแล้วก็ไดโอนจตุปปัจจัย ซื้อที่ดินวัดของคุณแม่ชีแก้วอีกเมื่อวานให้ทางธนาคารเขาโอนไปซื้อที่ดินหน้าวัดราคาต่อรองกันทางน้น่ะทางพระทางนน้นอ่ะกับอย่างทางสวมุกดาหารที่เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ต่อรองได้สี่แสนสี่ แต่ยังไม่ไมถึงไร่นะเกือบไร่ราคาสี่แสนสี่แต่เขาบอกสี่แสนสี่มื่นแต่ทางนู้นเขาขอสมทบสี่หมืนเขาก็เลยยกให้หลวงพ่อสี่แสนหลวงพ่อเนี่เสียเปรียบตลอด <c oughs> มันคงจะใช้สับไซสับของหลวงตาที่ท่านหลวงตาบอกว่า การเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตานะว่างี้นเมตตามากๆเขาไม่ไหวเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นอันว่าเมื่อวานทั้งผ้าป่าชุมแพ้ด้วยทั้งที่ดินของคุณแม่ด้วยทั้งโอนเครื่องมือแพทย์ด้วยลูกหลานนับด้วยสิหลวงพ่อนับผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรวมกันทั้งหมด รวมกันทั้งสามรายการเป็นเงินสองล้านสแสนบาทเมื่อวานนีนะวัดของเราจ่ายไปต่อสาธารณประโยชน์สองล้านสแสนบาทเมื่อวานพวกเราอนุโมทนาเนอะจะตุปัจจัยเป็นของวัดของเราไม่ใช่ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อประกาศแล้วประกาศอีกแต่ได้มาอย่างไงไม่รู้เหมือนกันนะ หลวงพ่อว่าเทวดาเทพเจ้าเหล่าเทวาคงจะโน้มทนาเอามาโปเข้าบัญชีด้วยมัง้งเออมันกับมันพอเป็นพอไปอยู่ไม่ถึงก็เดือดร้อนนะทั้งที่บริจาคไปก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อก็ให้คราวนั้นบงังคราวนี้บงังเรื่องนั้นบงังเรื่องนี้บงังเรื่องวัดบงังเรื่องสาธารณประโยชน์บงังแต่มแต่เมื่อวานเนี่ย แต่เมื่อวานนี่หนักไปหน่อยเมื่อวานสองล้านสามแสนแต่ทียังไงก็คิดว่าคงจะปิดบัญชีไว้ก่อนเพราะว่าตัวเลขมันมันแดงขึ้นมาละแดงเหลือขึ้นมาลวหมดกาลังละปีนี่เพราะนั้นควรจะงดง ด, งดไว้ก่อนถ้ามันงอกเงยขึ้นมาแล้วยังค่อยว่ากันไปอีกถ้ามันหมดมันหมดจะว่ายังไง แต่น้ําโขงก็ยังแห้งใช่ไหมน้ําโขงน้ำโสมน้ําล้างห้องเรายัางแห้งจะตุปใจของเราก็เหมือนกันน่ะมันไหลเข้ามามันก็แห้งได้ในเมื่อมันแห้งเราไปหยุดไว้ก่อนเราจะไปเอ า, เอาน้ําที่มันแห้งเอาไปใส่ไล่ใส่นามันก็ไม่ได้ ต, ต้องเก็บไว้ก่อนนี่แหละอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ืได้ร้อน มีมาแล้วก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ไปถ้ามันมีมากแล้วก็ถ้ามันมีน้อยแล้วก็ยศไว้ก่อนอันนี้ก็คืออติเลกลาบนะพวกลูกหลานที่มาปฏิบัติธรรมมาจากกรุงเทพนะคิดว่าจะกลับวันนี้ทางบริษัทเชฟรอนหลายคนลูกหลานมาทุกปีมาปฏิบัติธรรมแต่ถึงยังไงก็ตามนะ หลวงพ่อขอฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคนในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า่ถึงจะพวกเราจะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศแต่ว่ามีจิตใจมุ่งศีลธรรมมุ่งภาคปฏิบัติมุ่งศีลธรรมหาทางพ้นทุกข์ถึงจะอยู่ไกลกันก็เหมือนกับอยู่ใกล้กัน เพราะเหตุไรเพราะว่ามีความเห็นไปแนวแถวเดียวกันเนี่ยววิสสาสะประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็เป็นญาติแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ใกล้กันถึงจะเป็นลูกเป็นญาติโกโหติกาอยู่ใกล้กันแต่ความคิดเห็น ไม่ตรงกันมีความเหุคิดเห็นแปลกแตกต่างกันถึงจะอยู่ใกล้กันก็เหมือนจะอยู่ห่างกันคนละโลกเพราะจิตใจมันมันห่างกันแต่ถึงคนที่มีแนวความคิดมีแนวคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีเมตตาต่อกันถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็นเหมือนอยู่ใกล้กัน เ, เพราะนั้นให้อย่าห่างศีลธรรม สรุปแล้วก็คืออย่าห่างศีลห่างธรรมให้อยู่นักสถานที่ใดการเสา ะ, ะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพอันนั้นก็จำเป็นเพราะว่าเรามีาธาตุมีขันมีร่างกายอยู่เราจะปล่อยปะละเลยเราจะไม่ทำการทำงานก็ไม่น่าจะถูกเว้นเสียแต่ว่าเราได้เก็บพร้อมล้อมลิบไว้เพียงพ อ, เ, อ, อเหมือนกับ อะไรเขาพูดให้ฟังสงพ่อเขาฟังฟังหนะูเหมือนหมีขั้วโลกเหนือนะเขาว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันจะเก็บพวกอาหารของมันเอาไว้ในในในูในหลุมของมันมันจะไม่ออกหากินเพราะมันหนาวอ่ะมันเก็บไว้ให้เพียงพ อ, เ, อเสร็จแล้ ว, วก็ว ก, กินอาหารน่ยพอ อากาศอุ่นขึ้นมาแล้วยังค่อยออกมาถ้าหากว่าเราเก็บหอมรอมริบเงินคำทรัพสมบัติของเราไว้ในธนาคารนะอเกินไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าจะตุปัจของเรายัางไม่พอเราก็ต้องสแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพของเราไม่มีใครที่จะรักเรายิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นเราต้องสแสวงหา เก็บไว้เมื่อใช้จ่ายเมื่อเรามีอายุขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็คือปัจจัยส่แต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อเคยย้าแล้วพูดอีกว่าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่เจ็บตายมันก็เลี้ยงไม่ได้ผลที่สุดเลี้ยงขนาดไหนก็ถึงที่ถึงจุดจบของมัน นี่แหละอันนี้คือเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นถ้าเราเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเลี้ยงเข้าไปมีแต่ความเจริญมีแต่ความสูงส่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเอา <c oughs> เอาสิ่งที่เป็นอภ ป, ปมงคลเข้าไปาลบด้วเข้ามาปฏิบัติจิตใจก็ต่ำเหมือนกับเราเอา น้ำกรดหรือว่าเอาของร้อนไปลดผักอย่างนั้นน่ะไปลดต้นไม้อย่างนั้นนะมันไม่งอกเงยมีแต่อับเฉาแค่เอาปุ๋ยเอาที่เป็นอาหารของต้นไม้ให้กินใส่ปุ๋ยใส่น้ำให้เพียงพอแล้วดูแลต้นไม้ก็งอกเงยถ้าเอาน้ำกรดเอาน้ำร้อนไปลดมันต้นไม้ก็อับเฉา อันนี้ก็คือสิ่งที่ดูแลนั่นคืออะไรในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือดึงศีลสมาธิปัญญาประกอบคุณงามความดีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนั่นแหละแปลว่าเป็นหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจแต่หล่อเลี้ยงร่างกายก็คือปัจใจสี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะฉะนั้นในตัวของเราเนี่มีอยู่สองอย่าง กายกับใจกายเราเลี้ยงอย่างไงเลี้ยงกายเลี้ยงใจเราเลี้ยงอย่างไงการเลี้ยงใจมันต้องมีวิธีการมันต้องศึกษาทั้งสองฝ่ายคนที่จะเลี้ยงร่างกายก็จะทํำยังไงก็ศึกษาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเราจะเรียนเกษตรหรือว่าเรียนกฎหมายหรือจะเรียนวิชาความรู้อันนี้เพื่อเพื่อเลี้ยงร่างกาย แต่ส่วนเลี้ยงจิตใจนั่นคือเนี่ยนะเข้าสู่วัดวาศาสนาศึกษาธรรมะหาวิธีการจะศึกษาอย่างไงเลี้ยงจิตใจของเราเพราะนั้นให้พวกเราสสแสวงทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแต่ร่างกายอย่างเดียวปล่อยปลาละเลยทั้งด้านจิตใจก็ไม่น่าจะถูกแต่ถ้าเราเลี้ยงทางด้านจิตใจอย่างเดียว อันนั้นต้องเข้าสู่วัดวาศาสนาอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยอันนี้มาดูดูดูแลทางด้านจิตใจจะถูกปัจจัยหรือปัจจัยสี่ที่ได้มาก็เป็นของศรัทธาญาติโยมที่มาถวายมาตามมีตามเกิดเราจะเรียกร้องอยากได้นุ๊อยากได้นี้อยากกินนุ๊อยากกินนี้อยากมีนุ๊อยากมีนี้อยากเลี้ยงร่างกาย เหมือนกับฆราวาสไม่ได้เพราะเหตุลไยเพราะว่าเราไม่ได้สสแสวงหาทรัพย์เราสแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจเนี่ยเราก็ต้องแยกออกเราอยู่ในสถานะไหนเราอยู่ในสถานะของฆราวาสเราก็ต้องทําอย่างนึงเราอยู่ในสถานะพระเราก็ต้องทําอย่างนึงเพราะนั้นให้ แ, แยกออกถ้าแยกออกแล้วนะ่ะเราจะวางตัวถูก อยู่สถานะพระเนี่ยก็สบายอยู่อย่างพระไม่ต้องเถื่อต้องรอ้อนมีอะไรก็อยู่ก็ชั้นไปพอประทังชีวิตไปอดบ้างอิ่มบ้างอาสุขบ้างทุกบ้างอยู่ตามาปัจจัยสี่ของพระแต่ส่วนจิตใจนะ่ะทำใจยังไงจะพัฒนาใจยังไงจะไม่ให้มันอยู่ติดข้องในการเป็นอยู่ พอรู้อยู่แล้วร่างกายหนึ่งจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะถึงต้องถึงจุดจบของร่างกายต้องคิดไว้ในเมื่อเราคิดไว้อยู่ในใจอย่างนี้เสมอถึงมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ทำทำใจเราก็รู้ได้รู้เท่ า, เ, าเลี้ยงเท่าที่มันจะเป็นไปได้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังไม่พ้นมรณะภัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เพนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการเลี้ยงจิตใจเนี่ยอสูงส่งแต่เลี้ยงร่างกายเนี่ยเตี้ยลงไปเรื่อยๆคิดว่ามันจะสูงไม่ใช่นะแต่มันสูงขึ้นไปแต่ถึงจากนั้นก็ง่อมลงไปล่ะท่าอถึงจุดจบของมันเลี้ยงร่างกายแต่เลี้ ย, เยงเลี้ยงจิตใจเนี่ยไม่มีทางอจะจะงอมมีแต่สูงขึ้ น, นเรื่อยเว้นเสีแต่พวกเราเอาน้ํำกรดเอาน้ําร้อนอ่ สิ่งที่มันไม่ดีรดต้นไม้เอมันก็อับเฉาเลยรท่านนี่สิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรอแต่เป็นคราวญญาติโยมก่อนเนี่ยทั้งเที่ยวทั้งเตรทั้ ง, งสุรานารีภาชีกีฬาบัตรสิ่งที่มันช่วยช้าเสียหายทั้งคดทั้งป่นทั้งโกงทางอะไรเข้ามาคดมาใส่ชีวิตของตนเองเอผลในสู่คนนั้ น, นเข้าคุกเข้าตารางขณะยังมีชีวิตอยู่ พอตายไปแล้วก็นน่นะคำทั้งหลายบาปอากุศลทั้งหลายก็เข้าล็กอกพาไปสู่ตกนรกหมกไหม้เกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันอนี้แปลว่าเราส่งเสริมไปในทางไม่ดีไม่ดีเพราะนั้นเมื่อเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในภพ บ, บัณฑิตนักปราดนะนักบดิตนักปราดก็คือศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะ่บัณดิตนักปราดให้ศึกษานะเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวายใจยใจของเราพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบา ร, รมีมาเท่าไหร่สี่สงไขกำไรแสนมหมากับภาษาว o อีกเหมือนกันถ้าภพใดชาติใดเกิดมาแล้วไม่ได้พบศีลพบธรรม เกิดชาตินั่นก็เปล่าประโยชน์แต่เกิดมาพบใดชาติใดได้พบคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมชาตินั้นก็สูงส่งขึ้นาทางด้านจิตใจมันก็น่าจะใช่นะหลวงพ่อว่าเนี่ยพวกเราเห็นไหมในในโลกทุกวันนี้มันโรคเจริญใช่ไหมเขาก็ไปถ่ายรูปมานู่นขัวโลกไหนตกขัวโลกไหน ทุกวันนี้ยังไม่มีเสื้อผ้า น, นุ่งก็ยังมีเป็นคนปา่าคนรอยถ้าเราไปเกิดนสฐานที่อย่างนั้นน่ะพวกเราคิดดูให้ดีสิรู้จกักศีลรู้จักธรรมไหมรู้จักคุณงามความดีไหมแต่ก็เป็นมนุษย์อยู่แต่ว่ามันพี่นี่ความหาเลี้ยงชีพมันเป็นไปได้แต่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจ พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าเขาจะมีไหมแต่พวกเราน้า ว, ว่าโชคดีอย่างมากได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินในช่วงนี้ทางแผ่นดินก็คนในแผ่นดินตั้งแต่เบื้องสูงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วก็คนในชาติแล้วก็บนบันพบุตของพวกเราก็นับถือ พระพระศาสนาให้แนวความคิดกับพวกเรานะับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่เข้าตำราที่ว่าปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพจั ก, กตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิปุเพจกตะปุญญาตาบุพกรรมของเราในอดีตยังได้มาเกิดอย่างนี้ อัตตาสมาปณิทิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบเมื่อเกิดในสถานที่ดีแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทันคนะณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมคิดดีทําดีพูดดีพวกเรามีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขทางด้านจิตใจการแ ส, สวงหาทรัพย์ก็อย่างที่ว่านะ่ะ อ, อพวกเราต้องสแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพ แต่อย่าไปคิดหมกมุ่นกับการหาทรัพย์ในเลิศประเสริฐที่สุดไม่น่าจะถูกควรจะแสวงหาธรรมด้วยถ้าเทควาสันแสวงหาธรรมโดยที่ไม่แสวงหาโลกเราต้องมาบวชมาปฏิบัติธรรมอยู่ตามมีตามเกิดอยู่แบบสัมถะเราทาตนกินง่ายอยู่ง่ายทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอีกต่างหากไม่ต้องเป็นผู้มาก โลภโลเลในเรื่องการเป็นอยู่ในเรื่องอาหารเรื่องปัจจัยสี่มีอะไรก็ใช้ตามมีตามเกิดพอประทังชีวิตแต่ในจิตใจนั้นพยายามสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับนกกระทาอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านเปรียบเทียบนะีนกกระทาถึงเขาจะเลี้ยงอยู่ในกรงเขาเลี้ยงอยู่ในกรงถึงจะมีอาหารถูกอกถูกใจแต่นกกระทากินกินเสร็จแล้วก็ เอาจะงอยปากในจิ้มลูกหลูลูกกงอที่จะหาทางออกอยู่ทั้งวันนะมันจะไม่อยู่เฉยเฉยนกกระทานะเอาจะงอยปากมันจิ้มจิ้มจิมจิมจิมจิมมันหาทางออกอแต่เมื่อเจ้าของเผลอเปิดกงไว้เมื่ อ, อไหร่กันมันก็บินปอออกไปเลยนี่แหละหลวงปู่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละพวกเราถึงจะอยู่ในโลกเราก็ไม่ได้ติดในโลก มีแต่ ส, สแสวงหาที่จะยังไงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารเราจะไม่ได้ไว้ใจในการเป็นอยู่เพราะชีวิตของพวกเราอย่างที่เห็นเห็นมาออตั้งแต่ปู่ย่าตายายวงสานาญาติของเราพอเห็นมาแล้วตัวของเราจะไม่เป็นอย่างพวกนั้นเหรอเออมันไม่มันไม่หนีไม่พ้นนะลูกหลานนะหออลวงพ่อเห็นหลวงปู่ล่าเห็นหลวงตาของเราแล้ว หลวงพ่อเนี่คิดเลยละ่ะเอ่ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างอื่นละ่ะอีกสักวันหนึ่งค้าเนี่ยจะต้องเป็นอย่างเหลวงปู่หลวงตาที่ค้าได้เห็นเออเอาเถอะถึงอย่างไงเราก็พยายามเตรียมพร้อมเต็มทนเหมือนกันนะเต็มที่เหมือนกันเต็มความสามารถเหมือนกันนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้ววะนั่นแ่ะหลวงพ่อเห็นอันนั้น่ะคือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือบทเรียนของพวกเราเพราะนั้นจึงว่ากาวตักเตือนลูกหลานทุกคนห้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดี <c oughs> ตอเ น, นื่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร